บทที่ 7. ความสัมพันธ์ตามหน้าที่ของมนุษย์ในสังคม 1. หน้าที่ของมนุษย์ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นแล้วว่ามนุษย์แต่ละคนมีหน้าที่มากอย่างการจะทำหน้าที่ทุกอย่างให้สมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องยากมากมนุษย์ที่ดีที่สุดและหาได้ยากก็คือมนุษย์ที่ทำหน้าที่ของตนสมบูรณ์ที่สุดนั่นเอง คนกว่าถนนที่ทำหน้าที่ของตนดีที่สุดย่อมดีกว่าอธิปดีหรือรัฐมนตรีที่มีข้อบกพร่องมากมายนี่พิจารณาในแง่จริยศาสตร์บุคคลย่อมสามารถทํางานที่ใครๆเห็นว่าต่ําต้อยไร้เกียิให้เป็นงานที่สูงส่งมีเกียรตในสายตาของบัณฑิตได้ก็โดยการทํางานนั้นให้ดีที่สุด เมื่อรับทำหน้าที่อย่างใดแล้วก็ทำหน้าที่นั้นอย่างตั้งใจจริงและทำอย่างดีที่สุดให้ถูกต้องเหมาะสมที่สุดคนส่วนมากมักมีลักษณะบกพร่องอยู่สองประการคือทาอะไรเกินหน้าที่ไปอย่างหนึ่งและทากิจในหน้าที่ของตนไม่สมบูรณ์อย่างหนึ่งคนที่ทำอะไรเกินหน้าที่ของตนไป มักเที่ยวก้าวราวเกี่ยวข้องกับกิจการของคนอื่นหรือเอาภาระของคนอื่นมาเป็นของตนโดยไม่มีเหตุผลสมควรจนเป็นที่เบื่อหน่ายชิงชังของผู้เกี่ยวข้องทั่วไปบางทีทําการผิดพลาดไปก่อให้เกิดผลร้ายแก่ตนจนเสียชื่อเสียงเสียคนไปก็มีที่เป็นอย่างนี้ อาจเป็นเพราะบุคคลเช่นนั้นอยากใหญ่ไฝ่สูงไม่หิดโฉจนเกินไปสำคัญตนผิดคิดว่าไม่มีใครสามารถเท่าตนงานทุกอย่างต้องมีตนเข้าไปเกี่ยวข้องจึงจะสำเร็จลงได้อีกอย่างหนึ่งความต้องการอวดตนข่มผู้อื่นหรือยกตนข่มผู้อื่นทำให้เขาเก้าวไก่ากางานอันไม่ใช่หน้าที่ของตน เพื่อให้ใครใครเห็นว่าคนอื่นไม่เอาใจใส่งานตนเท่านั้นทํางานอยู่แต่ผู้เดียวเพื่อตนจะได้อวดอ้างแก่ผู้บังคับบัญชาหรืออวดอ้างแก่เพื่อนฝูงหรือแก่คนที่ไม่รู้ไม่เห็นคนอย่างนี้อยู่ที่ใดทํางานที่ใดก็เป็นที่เบื่อหน่ายชิงชังของผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วม ง, งานและผู้น้อยเพราะตัวเขาเหม็นสาบใครต่อใครไปหมด ในที่สุดความเหม็นสาบอันมากมายก็มารวมอยู่ที่ตัวเขาจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้เข้าใกล้แล้วร้อนไม่มีความเย็นอกเย็นใจบางคนสำคัญผิดคิดว่าตนสำคัญเสียเหลือเกินเสมือนหนึ่งว่าสถานที่นั้นจะขาดตนเสียไม่ได้เมื่อมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้ก็เที่ยววางโตกับใครต่อใคร ไม่เว้นแม้แต่ครูบาอาจารย์ของตนหรือผู้รุ่นครูบาอาจารย์ของตนมีกิริยาวาจาหยาบกระด้างเพราะแรงผลักดันแห่งอุ ป, ปกิเลสอันกลุ่งพลาดอยู่ภายในถูกอาสวะอันหมักหมมอยู่ภายในปิดบังความรู้สึกผิดชอบเสียสิ่งที่โผล่ออกมามีแต่ทิฐิมานะความถนงตนเยียดยามผู้อื่น ไม่เา่ารบผู้ควรเขารบไม่ยำเกรงผู้ควรยำเกรงไม่ให้เกยียรติผู้ควรให้เกยียรติตามความเป็นจริงแล้วโลกนี้ไม่เคยมีใครสำคัญจนขาดเสียไม่ได้ในปัจจุบันก็ไม่มีและไม่มีแม้แต่ในอนาคตคนที่มีสติปัญญามีความสามารถจึงควรเจียมตัวไว้บ้างเจียมตัวมากยิ่งดี และตรงตามความเป็นจริงด้วยจริงในความรู้สึกของผู้อื่นเพราะในความรู้สึกของคนทั่วไปไม่มีใครสำคัญที่สุดสำหรับโลกอาจจะสำคัญที่สุดสำหรับบางคนเท่านั้นส่วนคนที่ทำหน้าที่ของตนไม่สมบูรณ์นั้นเป็นเหตุให้กิจการในหน้าที่ของตนเสียไปเมื่อหน้าที่เสียไปก็ปลอยเสื่อมความนิยมไปด้วย การเสื่อมความนิยมทำให้ไร้เกียรต์ไร้เกียรต์ทำให้อัประยศน์และไร้สุขเหตุที่ทำให้เขาทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์มีหลายประการเช่นเขาอาจไปเอาใจใส่ในกิจอันไม่ใช่หน้าที่ก้าวก่หน้าที่การงานของคนอื่นเกินไปอาจเป็นเพราะความเกียรต์คร้านหรือเพราะสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออาหนวย คือโอกาสไม่เปิดให้เขาแสดงความสามารถในหน้าที่ของเขาตามสมควรเพราะถูกผู้มีอำนาจกีดกันไว้เป็นต้นสภาพร่างกายและจิตอันไม่ปกติเป็นสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้บุคคลทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ความรับผิดชอบหรือหน้าที่ทางศีลธรรมนั้นย่อมแสดงออกในรูปของบัญญัติคอมมานเดนส์ เมื่อมีสิทธิย่อมมีหน้าที่ฉันใดเมื่อมีหน้าที่ก็ย่อมมีสิทธิฉันนั้นหน้าที่และสิทธิจึงต้องไปด้วยกันต่างเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันนักปราชญ์ทางจริยศาสตร์ฝ่ายตะวันตกบางท่านเช่นแม็กกนซี่ได้ระบุหน้าที่ไว้ดังต่อไปนี้ 1. ห, หน้าที่ในการยอมรับนับถือชีวิต respect for life หน้าที่ประการแรกของมนุษย์คือการยอมรับนับถือชีวิตทั้งชีวิตของตนและของผู้อื่นด้วยเหตุนี้บุคคลไม่ควรทำลายชีวิตของตนหรือของผู้อื่นชีวิตเป็นของหายากบุคคลควรถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประการหนึ่งที่ทุกคนจะต้องยอมรับนับถือควรถนอมชีวิตของตน และไม่ควรทำอันตรายแก่ชีวิตผู้อื่นจะเห็นว่าหลักศีลห้าของพุทธศาสนาก็ตามบัญญัติสิบประการของคริสต์ศาสนาก็ตามหลักอหิงสาของฮินดูและของมหาตามะคานทีก็ตามล้วนยืนยันส่งเสริมหน้าที่ประการแรกนี้ทั้งสิ้นรวมความว่าเป็นหน้าที่โดยตรงและเป็นหน้าที่อันสำคัญของมนุษย์ ที่จะต้องพิทักษ์รักษาชีวิตของตนและชีวิตของผู้อื่นไว้เพื่อจุดมุ่งหมายอันเดียวกันคือการรู้แจ้งตนเอง (self-realization) 2. หน้าที่ในการยอมรับนับถือเสรีภาพและบุคลิกภาพ (respect for freedom and personality) เป็นหน้าที่ประการที่สองของพวกเราผู้เป็นมนุษย์ ที่จะต้องยอมรับนับถือในเสรีภาพและเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นถ้าเสรีภาพและเรื่องส่วนตัวไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคมส่วนรวมเข้าหลักที่ว่าจงปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ในฐานะเป็นมนุษย์ด้วยกันอย่าทำเพื่อนมนุษย์ให้เป็นเครื่องมือของตนอุดมคติทางศีลธรรมของคานต์มีอยู่ข้อหนึ่งว่า จงปฏิบัติต่อตอนเองและผู้อื่นในฐานะเป็นจุดมุ่งหมายในตัวเองอย่าทําเขาให้เป็นเครื่องมืออธิบายว่าเราควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์แก่เขาไม่ใช่ทําเขาให้เป็นเครื่องมือไปสู่จุดมุ่งหมายของเราเองขอยกตัวอย่างการฝึกคนของพระพุทธเจ้าคือทรงฝึกเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับการฝึกนั่นเอง หาใช่เพื่อประโยชน์ของพระองค์ไม่ส่วนคนฝึกช้างฝึกมา้าย่อมฝึกสัตว์เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ของผู้ฝึกคือทำช้างและม้าให้เป็นเครื่องมือไปสู่จุดหมายของตนเพื่อประโยชน์ในด้านการใช้งานของตนเฮเกวมีอุดมคติทางศีลธรรมอยู่ข้อหนึ่งเหมือนกันว่าจงเป็นคน และจงยอมรับนับถือผู้อื่นว่าเป็นคนเหมือนตนอันนี้ก็ตรงกับสุภาษิต ท, ที่ว่าคนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนคนเห็นคนไม่เป็นคนหาใช่คนไม่การยอมรับนับถือลักษณะอุปนิสัยอันไม่เหมือนกันของบุคคลก็รวมลงในการยอมรับนับถือในเสรีภาพและบุคลิกภาพนี้ 3. หน้าที่ในการยอมรับนับถือทรัพย์สินของผู้อื่น Respect for Property อันนี้ก็เข้าใจง่ายคือการไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นยักยอกช่อโกงปล้นขโมยนอกจากนี้ยังไม่ควรใช้ทรัพย์สินของตนไปในทางที่ผิดอีกด้วย เราไม่ควรรบกวนความผาสุขของผู้อื่นไม่ควรรบกวนเวลาอันมีค่าของเขาเมื่อเห็นผู้ใดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เป็นกิจธุระของเขาไม่ควรไปกวนใจเขาด้วยธุระอันไม่จำเป็นของเราหรือแม้จำเป็นก็ควรรอให้เขาเสร็จธุระซะก่อนถ้าจำเป็นจริงๆรอไม่ได้ก็ไม่ควรอยู่นานเกี่ยวกับความเห็น คนส่วนมากยึดมั่นในความคิดเห็นของตนยากที่จะถ่ายถอนได้เมื่อเป็นเพียงแต่ความคิดแม้จะไม่เหมือนเราไม่ตรงกับเราเราก็ไม่ควรไปรบกวนก้าวร้าวรุกรานเขาหรือด่าว่าเขาลองนึกในมุมที่กลับกันคือถ้าเขาจะก้าวร้าวรุกรานและด่าว่าเราก็ย่อมจะทำได้เช่นเดียวกัน เพราะความเห็นของเราไม่ตรงและไม่เหมือนกับของเขาเราควรหัดทำใจให้กว้างมองปัญหาหลายๆด้านอย่ามองแต่แง่ของเราอย่างเดียวเราลองมองในแง่ของเขาบ้างลองไปยืนอยู่ในที่ของเขาบ้างเราอาจจะมองเห็นตัวเราดีขึ้นและเห็นใจเขามากขึ้นรวมความในข้อนี้ว่า เราควรเคารพสิทธทิในทรัพย์สินสมบัติของผู้อื่นและควรใช้สมบัติทรัพย์สินของเราเองไปในทางที่ถูกต้อง 4. หน้าที่ในการยอมรับนับถือระเบียบของสังคม respect for social order ข้อนี้จัดเป็นเรื่องสำคัญมากอย่างหนึ่งระเบียบของสังคมนั้นเป็นสมบัติของสังคม เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับเราอยู่ในสังคมนั้นถ้าเราไม่ยอมอยู่ในระเบียบข้อบังคับของสังคมนอกลู่นอกทางไปคนเดียวสังคมก็รังเกียจเราเมื่อสังคมรังเกียจเราก็อยู่ในสังคมไม่เป็นสุขเป็นควายเขาเกยอยู่ตัวเดียวหรือเป็นแกะดำในหมู่แกะขาวอยู่ตัวเดียวก็เป็นการตัดอนาคตของตนเหมือนกัน อนาคตของเราขึ้นอยู่กับการยอมรับหรือไม่ยอมรับของสังคมอยู่ไม่ใช่น้อยเราจะเจริญรุ่งเรืองก็ต้องเจริญในสังคมถ้าสังคมไม่ยอมรับเราเสียแล้วเราจะเจริญได้อย่างไรดังที่ปราดท่านกล่าวว่าแม้นมีความรู้ดังสับพันยูผิบอมีคนชูห่อนขึ้นจิงอยู่ระเบียบของสังคม หรือข้อบังคับของสังคมไม่ใช่จะถูกต้องเสมอไปย่อมต้องมีข้อบกพร่องผิดพลาดอยู่บ้างแต่ถ้าข้อนั้นไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์ของเราเรื่องของคนหมู่มากเราก็ควรเฉยเสียบ้างระเบียบอย่างนั้นที่ยังอยู่ได้ก็เพราะยังมีบุคคลนิยมนับถืออยู่ถ้าบุคคลเลิกนิยมนับถือมันย่อมหมดสิ้นไปเอง การที่เราไปเหยียดหยามประนามระเบียบเช่นนั้นเขาอาจตีความว่าไปดูหมิ่นสติปัญญาของเขาเพราะบุคคลเชื่อในสิ่งใดย่อมคิดว่าเขาตรองด้วยปัญญาของเขาแล้วจึงเชื่อเราอาจยังมองไม่เห็นในแง่มุมที่เขาเห็นมานานแล้วก็ได้จึงควรอดออมความคิดเห็นของตนไว้บ้างไม่ควรมีความเห็นอันฟุ่งเฟื่อยเกินไปจนคนอื่นไม่อยากฟัง อันหนึ่งระเบียบของสังคมเขาจัดขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมการที่เราไปขัดขืนระเบียบของสังคมก็เท่ากับไปทำให้ระเบียบของเขาเสียไปตัวอย่างเช่นโรงเรียนหนึ่งห้ามนักเรียนออกนอกโรงเรียนก่อนโรงเรียนเลิกนักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ระเบียบนี้เรียกว่าโซเชียลออเดอร์ของโรงเรียนนั้น ถ้านักเรียนกอหนีออกจากโรงเรียนบ่อยๆชื่อว่าเป็นผู้ทำลายระเบียบสังคมของโรงเรียนย่อมได้รับโทษหลายสถานเช่นโรงเรียนลงโทษพ่อแม่ลงโทษเพื่อนฝูงตำหนิติเตียนและที่สำคัญที่สุดคือตนนั่นแหละลงโทษตนเองเพราะเป็นการพอนิสัยไม่ดีให้แก่ตนเองหนักข้าวอาจเสียเด็กเสียคนเสียอนาคตไปเลย วิีตัวอย่างอยู่ถมไปการนับถือระเบียบของสังคมจึงเป็นหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของคนทุกคน 5. หน้าที่ในการยอมรับนับถือความจริง respect for truth ขยายความว่าเราควรพูดจริงเว้นการพูดเท็จเราควรรักษาสัญญาที่ให้ไว้แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง แต่ต้องเป็นสัญญาที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมถ้าให้สัญญาไปแล้วรู้ภายหลังว่าการทำตามสัญญานั้นไม่ดีผิดธรรนองคลองธรรมจะไม่ทำตามสัญญานั้นก็ได้นอกจากนั้นเราควรพูดด้วยความจริงใจคือพูดอย่างใดใจอย่างนั้นใจอย่างใดพูดอย่างนั้นและให้การกระทาและคำพูดลงรอยกันได้ ไม่เป็นอย่างที่มักพูดกันว่าปากอย่างใจอย่างและทาอีกอย่างความจริงใจในที่นี้หมายถึงความกลงกลืนระหว่างความคิดกับคำพูดคำพูดกับการกระทาคือคิดพูดและทาอย่างเดียวกันพระพุทธเจ้าศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาได้พระนามอย่างหนึ่ง ต, ถ า, ต, ตถาคต เพราะตรัสอย่างใดกระทำอย่างนั้นและทรงทำอย่างใดตรัสอย่างนั้นยะถาวาทีตถาการีคนกล่าวไม่จริงนอกจากดูหมิ่นผู้อื่นว่ารู้ไม่เท่าทันตนแล้วยังเป็นการหลอกลวงตนเองด้วยคำพูดของตนเองอีกด้วยเพราะตนเป็นผู้รู้อย่างแน่นอนว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็ตาม ท่านอนุญาตให้กล่าวเทศบ้างในบางกรณีเมื่อมีเหตุผลสมควรเช่นมีเจตนาดีมีความปรารถนาดีต่อผู้ฟังกล่าวมุสาแล้วเขาสบายใจพูดความจริงออกไปแล้วจะก่อเรื่องราวร้าวฉานความจริงบางอย่างไม่ควรพูดฉันใดคำเทศบางอย่างก็พูดได้ฉันนั้นแต่ต้องถูกกาละเทศะและบุคคล ประกอบด้วยเจตนาที่ดีเป็นพื้นฐาน 6. หน้าที่ในการยอมรับนับถือความก้าวหน้า Respect for Progress เราควรมีความเชื่ออย่างมั่นคงในความก้าวหน้าของมนุษยชาติและเราต้องพยายามอย่างดีที่สุดในส่วนตัวเราเพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อไปไม่ยอมหยุดอยู่กับที่แต่ความก้าวหน้านั้น แต่ละคนอาจมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันบางคนมุ่งความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจบางคนทางสังคมบางคนทางการเมืองส่วนบางคนทางจิตใจเมื่อสำรวจแน่แล้วว่าตนมุ่งความก้าวหน้าทางไหนก็ควรใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดบากบั่นอย่างมั่นคงไม่ท้อถอยความสำเร็จย่อมคอยอยู่ข้างหน้า นอกจากพยายามเป็นส่วนตนแล้วควรส่งเสริมความพยายามเพื่อความก้าวหน้าของผู้อื่นด้วยไม่ใช่พยายามเป็นส่วนตนแล้วกีดกันผู้อื่นเราควรช่วยกันสร้างสรรความก้าวหน้าให้แก่โลกเมื่อโลกก้าวหน้าไปในทางที่ดีเราผู้เป็นหน่วยหนึ่งของโลกย่อมได้รับผลแห่งความก้าวหน้าของโลกด้วยในทางเสื่อมก็เช่นเดียวกัน มีบุคคลจำนวนไม่น้อยที่เกิดมาในโลกแล้วได้สร้างความก้าวหน้าให้แก่โลกจนได้รับยกย่องให้เป็นคนสำคัญของโลกท่านเหล่านั้นมีทั้งนักวิทยาศาสตร์แพทย์นักปกครองและนักปรัชญาเป็นอาทิตรงกันข้ามบางคนเกิดมาสร้างความโสมมให้แก่โลกในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม เราควรทำหน้าที่พิเศษบางอย่างทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาทั้งหมดเพื่อสร้างสารรค์ความเจริญให้แก่มนุษยชาติเกิดมาไม่เสียชาติเกิดสิ่งที่เราทำลงไปแล้วนั้นเมื่อสำเร็จประโยชน์แก่มนุษยชาติทั้งมวลแล้วผลดีย่อมตกแก่ตัวผู้ทำด้วยยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นการสร้างอุปนิสัยอันดีเลิศให้แก่ตน เป็นการสั่งสมบารมีเพื่ออนาคตของตนบนถนนสายยาวเหยียดแห่งชีวิตอันเรายังไม่รู้แน่ว่าจะไปสิ้นสุดลงตรงใดเมื่อเป็นดังนี้ผู้ประกอบแต่กรรมดีย่อมได้กำไรกว่าผู้ทำกรรมชั่วอย่างแน่นอนจากเรื่องสิทธิและหน้าที่ได้กล่าวไว้โดยพิสดารแล้วในเรื่องจริยศาสตร์ของท่านอาจารย์วสินอินทศระ 2. จริยะปรัชญาทางสังคมของพระพุทธศาสนาสิงคาละกะสูตรพระไตรปิฎกเล่ม11ข้อ172ถึง206คราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เวลุวนารามเมืองราชครืครั้งนั้นเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อสิงคาละกะบุตรของขหาบดี มีผ้าและผมเปียกออกจากกรุงราชครืแต่เช้าเพื่อไหว้ทิศทั้งหลายพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากเวลุวานารามเข้าไปในเมืองราชครืในเวลาเช้าเพื่อบินธบาต ท, ทอดพระเนตรเห็นสิงค์าและกะมานพประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายอยู่จึงตรัสถามว่าทำไมจึงไหว้ทิศมานพกราบทูลว่าบิดาของเขาเมื่อจวนจะสิ้นชีวิต ได้สั่งไว้ว่าให้ไหว้ทิศทั้งหลายเขาเคารพคำสั่งของบิดาจึงออกมาไหว้ทิศทุกวันพระศาสด า, าตรัสว่าในวินัยของพระอริยะระเบียบปฏิบัติของผู้เจริญแล้วเขาไม่ไหว้ทิศกันอย่างนี้สิงคารละกะมานพทูลถามว่าเขาไหว้ทิศกันอย่างไรจึงตรัสว่าขอให้ตั้งใจฟังจะแสดงให้ฟัง ต่อจากนั้นพระศาสดาทรงสแสดงหลักธรรมต่างๆสำหรับปฏิบัติในชีวิตประจำวันดังนี้คือ 1. ควรเว้นกรรมอันเศร้าหมองสี่อย่างกรรมมกิเลสคือปานาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิชฉาจารและมุสาวาท 2. ควรเว้นอคติคือความลำเอียงสี่อย่างคือลำเอียงเพราะรักฉันทาคติ ลำเอียงพระชังโทสาคติลำเอียงพระหลงโมหาคติและลำเอียงพระกลัวพยาคติ 3. ควรเว้นอบายามุทางเสื่อมแห่งโภคซัย์6อย่างคือ 1. เว้นจากการดื่มน้ำเมา 2. เว้นจากการเที่ยวกลางคืน 3. เว้นจากการเที่ยวดูการเล่นต่างๆ 4. เว้นจากการเล่นการพนัน 5. เว้นจากการครบคนชั่วเป็นมิตร 6. เว้นจากการเกียรติคร้านทำการงานทรงแสดงโทษแห่งอบายมุกทั้งหกประการไว้ดังนี้อบายมุกข้อที่ 1. ดื่มน้ำเมามีโทษหกอย่างคือ 1. เสียทรัพย์ 2. ก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นเหตุให้เกิดโรค 4. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง 5. เป็นเหตุให้ไม่รู้จักนาย 6. เป็นเหตุทอนกำลังสติปัญญาอบายมุขข้อที่สองเที่ยวกลางคืนมีโทษหกอย่างคือ 1. ชื่อว่าไม่คุ้มครองรักษาตน 2. ชื่อว่าไม่คุ้มครองรักษาบุตรภรรยาสา ชื่อว่าไม่คุ้มครองรักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลาย 5. มักถูกใส่ความ 6. ย่อมได้รับความทุกข์ยากลำบากอบายมุขข้อที่สเที่ยวดูการเล่นมหรสพมีโทษหกอย่างคือ 1. รํารำที่ไหนไปที่นั่น 2. ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น 3. ประโคมที่ไหนไปที่นั่น 4. เสพาที่ไหนไปที่นั่น 5. เพลงที่ไหนไปที่นั่น 6. เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นอบายมุขข้อที่สการพนันมีโทษหกอย่างคือ 1. ผู้ชนะย่อมก่อเวร 2. ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. เสื่อมทรัพย์ทันตาเห็น 4. คนทั้งหลายไม่เชื่อถือถ้อยคำของนักพนัน 5. เป็นที่ดูหมิ่นของคนทั้งหลาย 6. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าไม่สามารถเลี้ยงดูพันรยาได้ถ้าเป็นหญิงก็คงไม่อาจเลี้ยงลูกและเป็นพันรยาที่ดีได้อบายยมุขข้อที่ห้า การครบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษหกอย่างคือ 1. นำให้เป็นนักเลงพนันสองนำให้เป็นนักดื่มคือนักเลงเหล้า 3. นำให้เป็นคนเจ้าชู้คือนักเลงผู้หญิง 4. นำให้เป็นคนลวงผู้อื่นด้วยของปลอมหานำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า 6. นำให้เป็นคนหัวไม้หัวแข็ง ชอบตีรันฟันแทงอบายามุขข้อที่6เกียรติครานทำการงานมีโทษหกอย่างคือไม่ทำการงานเพราะอ้างเหตุต่อไปนี้ 1. นหนาวนักสองร้อนนัก 3. เวลาเช้าอยู่ 4. เวลาเย็นแล้วหผิวนัก 6. กระหายนักเมื่อเขามากไปด้วยข้ออ้างต่างๆ ผัดเพี้ยนการงานอยู่อย่างนี้โค้คาที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสลายไปทรงแสดงมิตรเทียมมิใช่มิตรแท้สี่จำพวกคือหนึ่งคนปลอกลอกสองคนดีแต่พูดสคนหัวประจบสคนชักชวนในทางเสียหายมิตรเทียมประเภทที่หนึ่งคนปลอกลอกมีลักษณะสี่อย่างคือ 1. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว 2. เสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มาก 3. ไม่รับทำกิจของเพื่อนในคราวมีภัยคือเมื่อเพื่อนมีภัยในข้อนี้มีคําอธิบายที่เชิงอัดว่าพยัญชนะว่าพยัสสะกิจจังนะกรตูติฉบับพม่าและยุโรปไม่มีศั์ว่านนะจึงเป็นพยัสสะกิจจังกโรโติ แปลว่าเมื่อมีภัยมาถึงตัวจึงรับทากิจของเพื่อนจากหนังสือนวโกวาดของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยญาณวรโรรสทรงถือเอาในย่าหลังนี้ลักษณะที่สี่ของคนปอกลอกคือคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวมิตรเทียมประเภทที่สองคนดีแต่พูดมีลักษณะสี่อย่างคือ 1>, 1. เก็บเอาสิ่งที่ล่วงแล้วมาปราศัย 2. อ้างเอาสิ่งที่ยังไม่มาถึงมาปราศัยสสงเคราะห์ช่วยเหลือด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้ 4. ออกปากพึ่งไม่ได้มิตรเทียมประเภทที่สคนหัวประจบมีลักษณะสอย่างคือ 1. จะทำชั่วก็คล้อยตาม 2. จะทำดีก็คล้อยตาม 3. ต่อหน้าสรรเสริญ 4. รับหลังนินทามิตเทียมประเภทที่สคนชักชวนในทางเสียหายมีลักษณะสอย่างคือ 1. ชักชวนดื่มสุราเมรยัยและของมึนเมาเสพติดทั้งหลาย 2. ชักชวนเที่ยวกลางคืนสชักชวนให้มัวเมาในการละเล่น 4. ชักชวนเล่นการพ น, นัน ทรงแสดงมิตรแท้สี่จำพวกคือ 1. มิตรมีอุปการะสองมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มมิตรแนนประโยชน์สมิตรมีความรักใคร่มิตรแท้ประเภทที่1มิตรมีอุปการะมีลักษณะสอย่างคือ1รักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 2. รักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยถือเป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. ช่วยออกทรัพย์ช่วยเหลือเกินกว่าที่ออกปากขอความช่วยเหลือเมื่อมีกิจธุระเกิดขึ้นถ้าไม่มีทรัพย์ก็ช่วยอย่างอื่นเช่นช่วยคิดช่วยทาเป็นต้นมิตรแท้ประเภทที่สองมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มีลักษณะสอย่างคือ 1. บอกความลับของตนแก่เพื่อน 2. ปกปิดความลับของเพื่อนไม่แพร่งลายความลับของเพื่อน 3. ไม่ละทิ้งในยามมีอันตราย 4. แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้มิตรแท้ประเภทที่3มิตรแนะประโยชน์มีลักษณะ4อย่างคือ 1. ห, ห้ามเพื่อนไม่ให้ทำความชั่ว 2. ส, ส่งเสริมให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี 3. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 4. บอกทางสวรรค์ให้มิตรแท้ประเภทที่4มิตรมีความรักใคร่หรือมิตรอนุเคราะห์อนุกรรมประกมีลักษณะ4อย่างคือ 1. ไม่ยินดีต่อความเสื่อมของเพื่อนคือทุกทุกด้วย 2. ยินดีต่อความเจริญของเพื่อนคือสุขสุขด้วย 3. ห้ามคนที่พูดติเตียนเพื่อนคือเมื่อคนพูดติเตียนเพื่อนก็ขัดขาน4รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนคือเมื่อคนพูดสรรเสริญเพื่อนก็ช่วยหนุนมิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรคบหาสมาคมสนิทสนมประดุดมารดาบิดาและบุตรอันหนึ่งบัณฑิตผู้มีศีลย่อมรุ่งเรืองประหนึ่งกองไฟ บันดิตพึ่งออมพภคขัพซ์เหมือนมแมลงพึ่งสะสมน้ำพึ่งเหมือนตัวปลวกพอกภูลจอมปลวกคฤหัสถ์ผู้สามารถครั้นสะสมรัพ์ได้แล้วพึ่งแบ่งเป็นสี่ส่วนคือใช้เองหนึ่งส่วนแบ่งไว้ประกอบการงานให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสองส่วนและเก็บไว้ใช้ในยามีอันตรายเช่นเจ็บป่วยหนึ่งส่วน เรื่องการใช้ทรัพย์ส่งเคราะญาติมิตรและทำบุญเสียผาสีเป็นต้นทรงแสดงไว้ในที่อื่นมากแล้วทิศหกต่อจากนั้นทรงแสดงเรื่องทิศหกน้อมมาในทางที่มนุษย์ควรปฏิบัติต่อกันในฐานะต่างๆอันเป็นปรัชญาสังคมของพระพุทธศาสนาคือหนึ่ง ทิศเบื้องหน้าคือมานดาบิดาบุตรพึ่งปฏิบัติบำรุงท่านด้วยการประพฤติ5้าอย่างคือ 1. ท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบ 2. รับทำกิจของท่าน 3. ดํดำรงตระกูล 4. ปฏิบัติตนให้เป็นคนสมควรรับทรัพย์มรดก 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วช่วยทำบุญอุทิศให้ท่าน มารดาบิดาย่อมอนุเคราะห์บุตรทธิดาด้วยหลักห้าอย่างคือ 1. ห้ามมิให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. หาพันรยาหรือสามีที่สมควรให้ 5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควร 2. ทิศเบื้องขวาคืออาจารย์สิทธพึงปฏิบัติบำรุงท่านด้วยการประพฤติที่ดี5อย่างคือ 1. ลุกขึ้นยืนต้อนรับ 2. เข้าไปยืนคอยรับใช้ 3. เชื่อฟัง 4. ปรนนิบัติท่านด้วยความเอื้อเฟื้อ 5. เรียนศินละปะวิทยาโดยเคารพอาจารย์ย่อมอนุเคราะห์สิทธ์ด้วยหลัก5ประการคือ 1. นแนะนำดี 2. ให้เรียนดี 3. บอกศิลปะวิทยาให้ทั้งหมดไม่ปิดบางอําพราง 4. ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อนฝูงทําทำความป้องกันในทิศทั้งหลายคือเมื่อสิทธิ์ไปอยู่ในที่ใดก็ตั้งใจช่วยเหลือตามกำลัง 3. ทิศเบื้องหลังคือพันรยา สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาด้วยหลัก5ประการคือ 1. ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา 2. ไม่ดูหมิน 3. ไม่ประพฤตินอกใจหรือไม่ล่วงเกินข่มขี่ทำทารุณกรรมต่างๆ 4. มอบความเป็นใหญ่ให้ให้เป็นใหญ่ในครอบครัวเหนือผู้อื่นยกเว้นสามี 5. ให้เครื่องแต่งตัวหรือเครื่องประดับ พันรยาได้รับอนุเคราะห์อ ย, อย่างนี้แล้วพึ่งปฏิบัติต่อสามีด้วยหลัก5ประการคือ 1. จัดการงานดี 2. สงเคราะห์ช่วยเหลือคนข้างเคียงของสามีดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ไว้ 5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง 4. ทิทิศเบื้องซ้ายคือมิตรบุคคลพึงปฏิบัติต่อมิตรด้วยหลัก5ประการคือ 1. ให้แบ่งปันสิ่งของของตน 2. ผพูดจาไพเราะอ่อนหวาน 3. ทำประโยชน์แก่มิตร 4. วางตนเสมอต้นเสมอปลาย 5. ไม่แกล้งกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความจริง มิตรผู้ดได้รับการปฏิบัติด้วยดีอย่างนี้ย่อมอนุเคราะห์เพื่อนด้วยหลัก5ประการคือ 1. รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว 2. รักษาทรัพย์สมบัติของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยถือเอาเป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ 5. นับถือตลอดถึงญาติของมิตร 5. ทิศเบื้องต่ำคือเ่าพรา่นายพึงปฏิบัติต่อเ่าพร่ด้วยหลัก5ประการคือ 1. จัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง 2. ให้อาหารและค่าจ้างรางวัล 3. รักษาพยาบาลในคราวเจ็บไข้ 4. แบ่งของที่มีรสแปลกๆหรือรสดีให้กินตามสมควร 5. ให้หยุดงานในสมัยที่ควรให้หยุด คือให้หยุดงานตามวันเวลาอันสมควรหรือในสมัยนักขัตจเลิกต่างๆเบาวไพรได้รับอนุเคราะห์อย่างนี้แล้วย่อมปฏิบัติชอบต่อ น, นายด้วยหลัก5ประการคือ 1. ลุกขึ้นทำการงานก่อนนาย 2. เลิกงานทีหลังนาย 3. ถือเอาเฉพาะของที่นายให้ 4. ทํทำการงานให้ดีขึ้น 5. นานำเอาคุณของนายไปสรรเสริญในที่นั้นๆ 6. ทิศเบื้องบนคือสมณะพราหมหรือบรรพชิตผู้มีศีลบุคคลพึงปฏบิบัติบำรุงท่านด้วยหลัก5ประการคือ 1. จะทำอะไรต่อท่านก็ทำด้วยเมตตาคือความปรารถนาดี 2. จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา 3. จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 4. ไม่ปิดประตูคือไม่ห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือน 5. ให้อามิสถานคือสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคสมณพราหมณ์ได้รับบำรุงเช่นนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุคคลด้วยหลักหประการคือ 1. ห้ามมิให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงาม 4. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหําทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แจมแจ้งหบอกทางสวรรค์ให้พระศ า, ศาสดาทรงสรุปลงว่าทิศต่างๆเหล่านี้เมื่อบุคคลปฏิบัติชอบแล้วย่อมเป็นทิศที่กเกษมปลอดภัยเมื่อพระศาสดาตรัสจบลงแล้วสิงคาระกะมานพทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่าแจมแจ้งจริง เหมือนทรงหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดให้ผู้มีจักสุได้เห็นรูปสิงคารละกะมานพ ป, ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตตามเรื่องที่กล่าวมานี้จะเห็นวิธีสอนอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าคือการตีความใหม่รี Re ินเทอร์พเทชั หรือให้ความหมายใหม่โดยใช้ภาษาเดิมของเขานั่นเองเช่นการไหว้ทิศเมื่อเขาจะไหว้ทิศก็ให้ไหว้ต่อไปแต่เป็นทิศแบบใหม่ซึ่งไหว้หรือปฏิบัติชอบแล้วได้รับประโยชน์ในสังคมส่งสั่งสอนให้คนในสังคมปฏิบัติต่อกันด้วยดีเช่นทิศเบื้องหน้าหมายถึงมารดาบิดาลูกควรปฏิบัติอย่างไรต่อมารดาบิดา มันดาบิดาเองก็มีหลักสําหรับปฏิบัติต่อลูกทิศเบื้องขวาหมายถึงครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ควรปฏิบัติอย่างไรต่ออาจารย์และอาจารย์เองควรปฏิบัติอย่างไรต่อศิษย์เป็นต้นรวมความว่าทรงแสดงหลักธรรมสําหรับคนหกคู่สิบสองจำพวกที่จะต้องปฏิบัติชอบต่อกันในสังคมถ้าคนเหล่านี้ปฏิบัติชอบต่อกัน ตามหลักที่ทรงแสดงไว้เชื่อได้ว่าสังคมของเราจะสงบสุขมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนเป็นการปรับปรุงคุณภาพของคนให้ดีขึ้นมีความประนีตทางจิตใจเมื่อคุณภาพของคนดีสังคมก็ต้องดีเพราะสังคมสร้างขึ้นด้วยบุคคล